บุ๊กทูห้าสิบแปดอยากให้ยียนี่มิดีอวัยวะเสรีราวัยวาลูกดิฉันวาดรูปผู้ชายนี่นึวกว่ามาัมา่มันนชบมักิสตุนนานุเริ่มจากศีสระก่อน มอดดัตาต่าลผู้ชายสวมมวกอ้ามมนุษย์วะะ่ากับทอเป้ไปทุกคนมุนามองไม่เห็นเส้นผมเยาว์วโ้ามนุษย์จุตุนีชูเลอมองไม่เห็นหูด้วยอลาเกออ้ามนุษย์จวบลิโคดายเยาว์วโรชดเลอมองไม่เห็นหลังด้วย อดวิธงก้าอมมนุษย์วิปุรุคูดายาวรุชูดเลืรุดิฉันกำลังวาดตาและปากเนนุคาร์ลูมาริยูโน้ตอินีกีสตุนนานุผู้ชายคนนี้กาลังเต้นลำและหัวเราะมนุษย์นัตติสตุนนารมาริยตุผู้ชายคนนี้มีจมูกยาวออ ว่ากัปรุกสที่มุกูุดิเขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขาอตนตนเชลวะกะเชิกรจุกนมนนาดเขามีผ้า พ, พันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วยอตนตนมชุดัวกกอฟนกูดชุ ด, ดะะ น, ดดดนม น, นาดมันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็น อีดีสีตาคัลมอีปุดุชั่ลละกาอุ่นดแขนแข็งแรงเชืุลูดรดังกาอุ่นนขาก็แข็งแรงด้วยก้อนลูกูดดรดังกาอุ่นนัยผู้ชายคนนี้ทามาจากหิมะอ้ามนิชช์นีมันชุดตอ่อเตาเชบดร แต่เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคุมอาตโน่พันธ์กานี่โคตกานี่เวสโคเลดูแต่เขาก็ไม่หนาวสั่นกานี่อาไมนิชฉันเลยเกะกะดกตุกปอเลดูเขาคือตุ๊กตาหิมะอาตโน่ว่ากัสโนว์แมน